เราเรียนนิโรธสัจจานั้นถ้าหาว่าเอาข้อความจากที่อื่นๆมาประกอบอาจจะเข้าใจนิโรธสัจจะชัดเจนขึ้นไม่ทราบว่าเมื่อคืนนี้ผูุ้กันเข้าใจชัดขึ้นบ้างหรือเปล่าเห็นแจ้งสมาทานอาธานร่าเริงในพระนิพพานนั่งหรือเปล่าไม่ทราบนี่ก็ไม่ต้องห่วงมีตั้งสี่สูตรเกี่ยวกับเรื่องนิพพานนั่นแะเมื่อคืนถ่านไปปัฏฐะนิพพานสูตรนี้มาขึ้นทุติยานิพพานสูตรเห็นไหม ขนาดเรียนนิพานขนาดนี้ไม่บรรลุนิพานให้รู้ไปนะแต่เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะข้อความในคำพีคุธกานิกายอุทานทุติยานิพานโสข้อข้อ159พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคือท่านพระนร น, นะกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้พิสุทั้งหลายเห็นแจง้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาอันปฏิสังยุตตด้วยนิพพานเอานิพพานมาธิบายแสดงประกาศอย่างกว้างขวางเปิดเผยเ อ, อย่างกว้างขวางเนี่ยนะพิสูุน์เหล่านั้นก็กระทาให้มั่นมานาสิการแล้วน้อมนึกธรรมีกระถาด้วยจิตทั้งปวงงี่ยโสดลงฟังธรรม เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มุ่งประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานใช่ไหมเมื่อท่านมุ่งประโยชน์สูงสุดคือนิพพานจิตของท่านจึงน้อมไปเพื่อแทงตลอดพระนิพพานลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากเชื่อว่านิพพานไม่มีตันหานิพพานนั้นเป็นธรรมะแท้จริงไม่เห็นได้โดยง่ายเลย ตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วกิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่อันถ้าหากว่าเห็นนิพพานแล้วตัณหาที่เป็นเครื่องกังวลนี้ก็จะไม่มีคือที่เรายังกังวลเรายังเกาะเกี่ยวอยู่ก็เนื่องจากว่าเราไม่เห็นพระนิพพานในในหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ติดข้องในวัตตะเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีกว่าวัตตะ ไม่รู้แจ้งสิ่งที่ดีกว่าวัตตะเหมือนอย่างว่าเราไม่นึกว่าที่อื่นมันดีกว่าอย่างนี้เราก็เลยติดอยู่ในลักษณะนี้เหมือนอารมณ์ทั่วๆไปนะผู้ใดโคจรไปในอารมณ์ใดในขณะนั้นก็ถือว่าอารมณ์นั้นดีที่สุดนะในขณะนั้นนั้นนะอย่างยกตัวอย่างผู away, นะ้การจาริกไปที่ไหนนะกรรม่าจาริกคือเที่ยวไปเนี่ยเที่ยวไปที่ใดก็ถือว่าขณะนั้นนั้นตรงนั้นดีกว่าที่อื่นๆในขณะนั้นนะผู้การว่างนั้นนะ ดีนดีกว่าที่อื่นๆในขณะนั้นนั้นถามว่าเพราะอะไรเพราะโคโจรไปตรงนั้นอะ่ะถ้าไม่คิดว่าตรงนั้นดีนะจะไม่ไปตรงนั้นหรอกใช่คือขณะออกก็ยังถือว่าแม้กระทั่งเดินทางออกนะขณะที่เดินทางก็ยังดีกว่าตอนอยู่อะ่พะพันธุ์ทุกแห่งก็เรียกว่าดีที่สุดในในขณะนั้นนั้นนะอันนี้คือความเกาะเกี่ยวของมูสัตเป็นอย่างนั้น มันก็เกาะเกี่ยวในอารมณ์ทั่วๆไปการเกาะเกี่ยวในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมอารมณ์ทั่วไปนั้นน่ะท่านถือว่าเป็นเครื่องเนิ่นช้าเพราะว่าตัวที่เนิ่นช้าจริงๆเนี่ยมันอาศัยอารมณนะมันอาศัยอารมณ์ใช่ไหมถ้าจิตไม่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธิภะมีธรรมอารมณ์ทั่วไปเนี่ยใจจะไม่เนิ่นช้าหรอกแต่ที่มันเนิ่นช้ามันเหมือนกับ จะโทษอะไรใครที่เคยไปเที่ยวสวนดอกไม้เนในคำดีท่านนิยมเปรียบกรามคุณห้าเหมือนกับสวนดอกไม้ที่เข้าไปเที่ยวแล้วเพลิดเพลินดอกนั้นก็สวยดอกนี่ก็กำลังบานดอกนั้นก็แนวโน้มถ้าจะบานดอกเหี่ยวก็ผ่านไปก็ดูเอาเฉพาะแต่มุ่งไปที่ดอกงามจากดอกหนึ่งสู่ดอกหนึ่งโคจรไปเรื่อยนี่เราโทษอะไรโทษว่าเพราะดอกไม้งามใช่หเราจึงคล่องหรือโทษ เพราะใจเราไปคล้องกับดอกไม้เองก็คือมันก็ทั้งสองนั่นแหละก็ดอกไม้งามเราจึงคล้องแต่หารู้ไม่ว่าอีกไม่นานนี่ยนะน้ำมันจะท่วมพาวไปทั้งหมดตรงนั้นแหละบอกว่ามัจโจเนี่ยฆ่าเอาหมูสัตว์ผู้กําลังเพลิดเพลินอยู่ในเบญจากามาคุณเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ทันอิ่มเลยพัดพาไปพันหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่เราเคยเห็นเนี่ย บอกพอแล้วพอแล้ววัตถุ ก, กามทั้งหลายฉันไม่ต้องการจริงๆเนี่ยเกิดมาจาย์เกตได้ยินบ้างไหมเออพอแล้วนะวัตถุกรรมเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสโรภตภะพบใหม่เนี่ยพอกันสักทีเหมือนกับว่าคํานี้มันเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่เขาอุทานนะเป็นชีวิตจิตใจของเขาว่าพอแล้วพอแล้วเนี่ยนะเพียงพอแล้วจริงๆเนี่ยนะหม อ, อยุพินได้ยินบ่อยไหมได้ยินตอนอ่านพระไตรปิฎ ก, ก น, นะเออเวลาเอิดมันก็ได้ยินอย่างั้น มีแต่เอออันนั่นก็นะมันมันติดมันคล้องไปหมดเลยที่ถามว่าทําไมอ๋อได้ยินที่วัดตันต่อนะบอกก็พอแล้ววัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะแต่ถ้าถามว่าถ้าอยู่แล้วเสียหายยังไงอ่ะตรงนี้ที่ที่ต้องคิดมากๆเลยเนะี่ยอยู่เฝ้าวัตตะเสียหายตรงไหนถ้าออกจากวัตตะดียังไงอันนี้ต้องเห็นอ่ะถ้าใครไม่เห็นตรงนี้นะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะบรรลุนะ ยัดเยียดให้บรรลุก็ไม่บรรลุเชื่อไม่มีใครทําใครให้บรรลุได้เฉะนั้นเขาต้องมีปัญญาเห็นภายในวัฏฏะเองเขาแบ่งยานอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอาทีนวายานกับสันติบทยานต้องต้องมาฝึกคิดในลักษณะนี้สองตัวให้ดีกับสันติบท อนนอาทีนวายานี้ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งทั้งคู่นี้ก็เป็นชื่อของปัญญาทั้งคู่นั่นแหละเพราะอย่าลืมว่ามักหรือทางสายกลางในาศาสนานี้ถือเอาปัญญาเป็นประมาณเพราะการเดินทางเนี่ยเดินด้วยปัญญานะไม่ใช่เดินทางไม่ได้ใช้แข่งเท้านะไม่ใช่ทางเท้าอย่างั้นเถ อ, อะตัวปัญญาอันนี้แหละที่จะต้องมาแยกสองส่วน อันนะั้นอาทีนวะยานก็มาพิจารณาวะตะัตตเนี่ยนะสันติบทยานก็คือพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าวิวะตะัตตเนี่ยนะหรืออีกคำว่าวัตต์เนี่ยเขามีชื่อแทนเขาคือประวะตะัตตหรือประวะติเนี่ยนะแปลว่าเป็นไปกับวิวัตคือเลิกไป หรืออีกพูดหนึ่งจบซะ น, น, นะนะพอละพอละพูดถึงไอ้ไอเส้นทางที่ไปในวัตตะเนี่ยนะที่เราเคยได้ยินอุปมาเปรียบเทียบบ่อยๆว่าขณะที่เป็นไปในวัตตะเหมือนเหมือนบุรุษตกอยู่ในกระแสน้ำใช่กระแสกระแสคืออะไรกระแสคือโอคะเนี่ยนะกระแสคือโอคะเนี่ยมันมันเหมือนว่า ก็ล่องลอยไปตามกระแสคือโอคาเนี่ยไปอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่าม า, มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะแล้วไม่รู้ว่าจะจบที่ไหนทุกคนนี่อยู่ตรงกลางพอดีตอนนี้อยู่ตรงกลางไหมถ้ามองในแง่วัตตะไม่มีใคร อ, อายุยืนอายุยาวกว่ากันอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องมองในแง่จริยธรรมนะไม่ได้มองในแง่ศีลธรรมมองในแง่วัตตะอยู่มานานพอๆกัน พูดอย่างนี้ไม่ได้เอาอายุไปแข่งกันนะเราจะได้แก่ขึ้นเท่าๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวแหว่รุ่งเกินผู้เท่าอย่างนั้นถ้าแบ่งให้ได้คงจะดีขึ้นนะเขอมานี่ทายุสักหกสิบน่าจะดีขึ้นนะนะเป็นหลวงปู่ไปแล้วมาดูว่าทุกคนนี่อยู่ในท่ามกลางเนี่ยนะอยู่ในท่ามกลางวัตตะ ไอ้ที่มากับที่จะเนี่ยมันยาวพอๆกันที่มากับที่อ่ะ น, นะที่ผ่านมากับที่จะไปข้างหน้าเนี่ยพอกันเพราะถือว่าทุกครั้งเนี่ยอยู่ท่ามกลางตลอดเหมือนอย่างว่าเหมือนใครก่อโลกกลมๆเนี่ยนะยืนอยู่ตรงไหนก็อยู่กลางโลกไปหนีให้ไปอยู่ตรงไหนก็อยู่กลางโลกใครไปยืนที่มันบินบินได้ไหมไม่ได้ยืนตรงไหนก็ชื่อว่าอยู่กลางโลกฉันใดวัด ลักษณะนั้นกลางสังสาระกลางอะไรท่ามไอกระแสที่ว่านี่กระแสอะไรกระแสขันกระแสธาตุกระแสอายตนะเนี่ยทีนี้ในท่ามกลางกระแสเหล่านี้เนี่ยนะกระแสน้ําที่มันพัดน้ําพาไปเนี่ยในในสังสารวัตรนี่มันมีกิเลสกามอยู่ในนี่นะเรียกว่าอะไรกาโมคะ นทิธโขขาเนี่ยนะแล้วก็อะไรทิโขพโวคแล้วก็อาวิชโชคะน้ำพวกนี้มันไม่ใช่น้ำใสเลยามีเขาวิจัยมาที่ที่ที่ทกรุงเทพมันนะมันมีคลองหลายๆคลองด้วยกันที่คนยากจนทั้งหลายก็จะปลูกบ้านไม้เนี่ย อยู่อยู่ริมคลองใช่ไหมอยู่ริมคลองก็จะต้องนอนรับไอ้น้ํานั้นอะทุกวันทุกวันน้ําข้างล่างมันน้ําขร่ําหมือนนะดําปีเลยแหละ ด, ดําเดรียกได้ว่าน้ําล้างจานบ้านเรายัางสะอาดกว่าเยอะเนี่ยนะดําปีแล้วก็พ่อหมักห ม, มมมาเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยนตรงนั้นเนี่ยเขามาเคยโกยเลนด้วยนะเลนกรุงเทพอืมท่างเกรนเนี่ยสุดยอดเลยอนะ่ะกินน้ำไป มักอก็นั่นแหะไม่ใช่ผลบุญแน่เชื่อเหอทีนี้มาดูอีกอไอโอคะตัวนี้เนี่ยนะมันเขาบอกว่าใครที่ไปอยู่คลองแบบนั้นที่จะต้องรับไอคลองอันนั้นมันนานเนี่ยสมองมันจะฝ่อลงเนี๋ยนะสมองจะฝ่อฝ่อฝ่อฝอยิ่งอายุอยู่นานมากเท่าไหร่นะสมองก็ฝ่อลงเท่านั้นเพราะมันเหมือนกระสุปไ อ, ไอหายใจรับเอาแต่กลิ่นที่เรียกว่า ขยะเนี่ยตลอดหลายสิบปีผ่านไปเนี่ยนะเราอยู่ในห่วงของวตตะนี่มันเป็นสารที่มันทําให้ปัญญาฝ่อลงฝ่อลงก็แม้กระทั่งอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราจะไม่คิดว่าขันธาตุอายตนะเป็นที่มีโทษสักเท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้คือความที่ปัญญาเราเนี่ยมันฝ่อลงแบบนั้นอนะ่ะปัญญานี่ฝ่อลงจะไม่เห็นว่ามันมีทุกมีโทษวัตตะมันเสียหายตรงไหนเพราะ น, น, นอกกว่า ข้อปฏิบัติเพื่อออกจากนิพพานเนี่ยคือข้อปฏิบัติเพื่อขึ้นบกเนีย่ยนะหว้ไหทวนกระแสเพื่อจะขึ้นบกอันนี้คือข้อปฏิบัติทีนี้การที่ผู้ที่เจริญปัญญาเนี่ยต้องเห็นว่าถ้าอยู่ท่ามกลางไอ้กระแสน้าที่ประกอบไปด้วยพิษภัยสารพัดพิษเนี่ยนะเสียหายตรงไหนกลับขึ้นบนฝั่งแล้วดียังไง การที่รู้โทษของการอยู่ท่ามกลางห้วงน้ำกาโมคะพโวคะแบกขันธาตุอายตนะเป็นไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารพัดทุกทษอย่างนี้เรียกว่าอาทีนวญานถ้ารู้ว่าถ้าขึ้นออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสันติบทยานที น, นี้ถ้าพูดในแงขน่ขันขันห้าก็ท่านประองค์อุปมาเหมือนอะไรนะเพชรคาดก็ด เขียนไม่ถูกก็ไปถามอาจารย์งงสอนเอาอนไเห็นธาตุเหมือนอะไรอันไหนันทาเหมือนเพชรข้าศตอายตนาภายในเหมือนเรือนว่างอายตนาภายนอกเหมือนโจรปล้นเนี่ยนะธาตุก็คือความว่างความเปล่าความศูนย์ความไม่มีสาระเป็นตัวส่งไว้ซึ่งวัตถทุกเนี่ยเมื่อเห็นโทษอย่างนี้ก็ต้องมาคิดในสิ่งที่ตรงกันข้าม น, นะพลิกคิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆมากๆ ทีนี้มีมีบางคนเข้ามาคิดว่าการที่มองเห็นโทษภัยของขันอายตนะมากๆทำไมจึงไม่สบายใจเออนะน่าจะมีความสุขใช่ไหมรู้โทษภัยของขันธาตุอายตนะเท่าไหร่น่าจะมีความสุขแต่ทำไมจึงทุกข์คุณสุจริตเออรู้โทษภัยของขันใหมากๆ ม, ม, มีความสุขจึงเป็นทุกข์ ก็ทุกใจสิทำไมทาไมไปวิปฏิสานอะไรคือที่เป็นอย่างนั้นนะว่าตรงประเด็นเลยก็คือพาะเราไม่ได้คิดจะออกจริงพันเมื่อเห็นสิ่งที่มันมีโทษนะเราก็เหมือนกับอะไรนะถ้าเหมือนกับว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยนะมีอยู่หกห้องก็แล้วกันห้องที่หนึ่งก็เลวมากห้องที่สองก็เลว ห้องที่สามก็ใช้ไม่ได้ห้องที่ที่สี่ก็ไม่ดีห้องที่ห้าก็จะพังนี่พังแหลห้องที่หกก็ผุลงเลยนะคนถ้าไปสำรวจดูยังไงก็มีแต่ความชั่วร้ายเลวทรามของบ้านหลังนั้นใช่ไหมทำไมเขาจึงเสียใจรู้ไหมเพราะเขาอยากจะอยู่มันเขาอยากจะเฝ้าบ้านหลังนั้นเขาถือว่าบ้านหลังนั้นคือทรัพย์สินของเขาถ้ายิ่งรู้โทษของบ้านหลังนี้เท่าไหร่เขาจะเสียใจขนาดนั้น แต่ถ้าคนเตรียมจะขายเนี่ยนะหรือเตรียมจะจะต้องทิ้งในบ้านหลังนี้มันเลวมากเดี๋ยวก็โจรมาปล้นเป็นต้นนะถ้ายิ่งเขาเห็นโทษของหลังนี้เท่าไหร่นะเออเนี่ยอันนี้เหตุผลหนึ่งแ่ะที่ต้องออกอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วต้องจากนะคือมันจะจากกี่แล้วตั้งอัธยาศัยเพื่อจากไว้ตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมต้องการออกโดยประการทั้งปวงเห็นโทษครั้งที่หนึ่งก็ดีใจเดี๋ยวจะได้ออกเนี่ยนะเออ ก่อนหน้านี้มาทำเป็นอะไรอาวรมาตั้งนานรู้โทษมาอันหนึ่งแล้วจะได้ออกสักทีหนึ่งถังเห็นโทษอย่างที่สองอีกออก่อนหน้าออกไม่น่าอยู่เห็นโทษครั้งที่สามอีกก็ยิ่งหน้าออกเท่านั้นแหละนะเพราะมันเห็นแต่เรียกว่าเห็นอันตรายแต่เราทั้งหลายนักษณะพวกอะไรอาวรนคิดว่าบ้านหลังนี้มันมีของดีอยู่ในนั้ น, นผู้ที่ พวกน้อมเข้าน้อมเข้าเพื่อเฝ้าขันห้าพวกนั้นอ่ะนะเมื่อพิจารณาขันห้ามากๆพวกนี้จะเดือดร้อนเพราะเห็นแต่ความไม่มีสาระความไม่มีไม่มีดีอะไรอย่างที่คิดนะ่ะยิ่งเพ่งไปเนี่ยนะไอ้บ้านหลังนี้ก็อุปมาเหมือนอะไรปีละนะใช่ไหมพิจารณาไปแล้วก็ปีละนะพิจารณาไปแล้วก็สันตาปะเร่าร้อนพิจารณาไปเท่าไหร่ก็จะเห็นแต่ สังคตะพิจารณาเห็นเท่าไหร่ก็มีแต่ความแปรปลวนจะพังไม่พังแหละจะเสียไม่เสียแหละแต่ถ้าคนเบื้องหลังตั้งเพื่อออกนะยิ่งเห็นโทษเท่าไหร่อันนะถ้าเปรียบอีกในหนึ่งนะถ้าในห่วงน้ําอันนี้นะถ้าใครมองเห็นจระเข้เป็นต้นเนี่ยแล้วตัวเองเตรียมจั ก, กระดอขึ้นจะได้ไม่อะไรในกระแสน้ำมันนั้นถามว่าน่าดีใจไหมโอ้นั่นจระเข้เนี่ยนะดีนะถ้าหลงหลวมตัวลงไป เ, เนี่ยเสร็จแน่พังก็ดีใจทุกครั้งที่จะได้ ผละออกสักทีหนึ่งแต่ถ้าพิจารณาแล้วโอ้เสียใจนะแสดงว่าเรายังไม่ได้อยากออกสักเท่าไหร่แต่ว่าพื้นฐานเนี่ยถามว่าถ้าชรเข้กัดเสียหายยังไงถ้าถ้าขึ้นบอกแล้วดียังไงเนี่ยพวกพวกปัญญาน้อยๆทั้งหลายนะต้องเอาพวกนี้มาชั่งเยอะๆชั่งมากๆจนกว่าจะเรียกว่าภาษาธรรมะแตมวินิทธาบลรรุนีหมายถึงยังไงูตรอย่างอ ง, อางี้นะว่า นะสูตรเขามีอยู่เท่าเนี้ยนะเอาระดับสูงสุดเลยนะแปลว่าหลุดพ้นพะรู้โดยชอบรู้โดยชอบจึงหลุดพ้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัด น, นะคือสิ่งเดียวกันอีกชื่อหนึ่งนะเบื่อเสร็จแล้วก็จึงคลายกําหนัดใช่ไหมเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกําหนัดเพราะฉะฉนั้นก็ยิ่งเห็นโทษเท่าไหร่ใจก็น้อมที่จะออก จะออกจากสิ่งนี้เท่านั้นนะนะนั่น่ะจริงจะเป็นที่สุดแห่งทุกข์แต่ว่าไอการที่จะคลายกําหนัดเนี่ยสภาพอันนี้ที่จะแทงตลอดแบบนี้เนี่ยพรองว่าเป็นของยากเป็นของลึกซึ้งเพราะเรายังมาอาวอนอยู่นั่นแหละมันน่าจะมีดีนะนะมันน่าจะมีดีนะนะคือแต่ว่าถ้ายังไม่บรรลุนะก็รู้ว่าไม่ดีแต่ว่ามันออกยังไม่ได้พวกผู้การกลุ่มนั้นนะ กลุม่รู้ว่าขันห้าไม่ดีแต่ยังออกยังไม่ได้ก็มันเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้นะไม่รู้ไปติดเทอร์โบตรงไหนนะไม่รู้จะไปอัดฉีดตรงไหนนะสัมมาทิฏฐินี่ยก็ถ้าแต่ก็อย่าลืมนะนพุทธพจน์เนี่ยจะมีคำว่ามีตนส่งไปแล้วอ่านเจอบ่อยๆนะ ผู้จะบรรลุเป็นพระอริยะทั้งหมดเนี่ยมีตนส่งไปแล้วแปลว่ามีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในกายและชีวิตน้อมจิตไปหาอาสังขต ธ, ธ า, าโดยที่ตัดความเยื่อใยได้หมดจริงๆไม่มีอะไรเยื่อใยจริงๆะนะซึ่งถ้าพูดถึงคนที่เยื่อใย น, นึกไม่ออกอะนะว่าไม่เยื่อใยนี่มันเป็นยังไงทีนี้มาดูถึงว่า ถ้าผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดอมตะ บ, บทเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเห็นแล้วก็จะทำให้ใหพ้นจากวัตถุทุกที่อธิบายว่าที่บอกว่าฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากชื่อว่านิพานเนี่ยอธิบายว่าทศทัศ์ความว่าพระนิพานชื่อว่าเห็นได้ยากเพราะใครๆไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยเครื่องปรุงคือยามที่ไม่เคยได้สังสมอบรมมาเพราะมีสภาวะลึกซึง้งเพราะมีสภาวะสุขุมละเอียดยิ่งนะัก ไม่ทำบุญมาจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะหรอกที่จับบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นญาณสัมภาระบุญยะสัมภาระก่อนหน้านี้จะต้องดีจริงๆจริงกับบรรลุอริยมรรคได้เพราะตัวที่แทงตลอดนิพพานนั้นเป็นอริยมรรคแล้วทานศีลจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมค า, ามค า, ายาณทัศนวิสุทธิปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิเนี่ยดีแค่ไหน จึงจะ บ, บรรลุเอ่อเรียกว่าแทงตลอดหรือตรัสรู้ยาณทัศนวิสุทธิที่เรียกว่าอริยมรรยาณทัศนวิสุทธิตัวนี้แหละเป็นตัวแทงตลอดสภาพแห่งพระนิพพานเนี่ยนะนะโอ้แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะจะต้องบําเพ็ญปฏิปทาประดุดลมนันะนะข้อปฏิบัติของผู้เจริญนิพพานาเนี่ยต้องเอาลมเป็นตัวอย่างไงนะลมเนี่ยพัดทุกแห่งแต่ว่าลมเนี่ยไปติดค้างอยู่ตรงไหนสักแห่งไหมไม่มี วิปัสสนาปัญญาก็ต้องโคโจรไปในสิบเอ็ดแห่งเป็นอย่างน้อยแล้วไม่ติดสักแห่งน้อมไปในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาบละเอียดเลวปนีสใกล้ไกลก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะคือโคโจรไปได้อย่างนี้โดยไม่ติดข้องประดุดอากาศเลย นีนะถ้าได้ขนาดนั้นก็ไม่นานสักเท่าไหร่แต่ว่าโคจรไปก็ค้างอยู่เรื่องนั้นครึ่งชั่วโมงเงี้นะถ้าอย่างงี้ก็โอ้ยาวมากนะบรรลุได้ไหมมันแล้วใจไหมล่ะครับมีภาษาเหนือคำหนึ่งบอกแล้วใจไหมล่ะถ้าเอาอันหนึ่งเนี่ยนะพอแล้วใจไหมที่จะบรรลุเนี่ยนะ เช่นว่าไม่สนใจอดีตไม่สนใจอนาคตมุ่งแต่ปัจจุบันอย่างเดียวถามว่าจริงๆแล้วมันแล้วใจเรื่องอดีตไหมล่ะเรื่องอนาคตไม่มาเอามาคิดเลยหรือเป็นต้นเนยนะจะรู้แต่เรื่องส่วนตัวเลยหรือจะไม่รู้ภายนอกอะไรสักอย่างเลยหรือหรือจะรู้แต่ภายนอกไม่รู้ภายในเลยหรือหรือรู้แต่แบบอย่างเลวไม่รู้อย่างดีหรือยรู้แต่อย่างดีไม่รู้อย่างเลวเป็นไปได้ไหม มันก็ไม่ได้เพรันจะหรืออยู่แท้เฉพาะแวดวงรอบข้างไกลๆ ก, กว่านี้ก็ไม่รู้เรื่องถ้าอย่างนั้นมันก็อะไรมันเหมือนกลุ่มไสยศาสตร์นะกลุ่มไสยศาสตร์เนี่ยมันต้องปักดิ่งลึกลงไปอย่างเดียวไม่ต้องมีเหตุผลโดยประการทั้งปวงคุณเชื่อยอย่างเดียวพอแล้วอันนั้นคือคือคื อ, คอสายไสยศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสายปัญญานะแล้วใจหมดเลยนะไม่มีข้องแม้แต่อันเดียว คือวิจัยถึงอดีตก็ขันห้าอนาคตก็คือขันห้าปัจจุบันก็คือขันห้าภายในก็ขันห้าภายนอกก็ขันห้าอย่างหยาบขนาดไหนก็คือขันห้าละเอียดดีสุดยอดยังไงก็คือขันห้าอยู่ใกล้ก็คือขันห้าอยู่ไกลไปถึงอเมริกาก็คือขันห้าอยู่ถึงพรอมโลกก็คือขันห้าไม่มีความต่างโดยความเป็นขันห้า ขันห้าทั้งหมดนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเพราะถึงเธอทำยังไงก็ไม่เป็นของเธออยู่ดีทำให้เป็นได้ไหมเอา้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยมันหลงเอาไปอะไรไนหะความความหลงของเราเองนะที่เข้าใจว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะเหมือนกับเราเข้าใจว่าตาอันนี้เป็นของเรา ถามว่าจริงๆมันเป็นของเราหรือไม่เป็นถ้ามีปัญญาใไข้ครวญโดยรอบสางเมาหน่อยนะวเออไม่ใช่ไม่เป็นจริงๆแต่ถ้าเมาทีหนึ่งก็โอ้เรานะเพราะเนี่ยจะให้หลับตา ม, มันก็หลับจะให้ลืมตามันก็ลืมนะแต่ถ้าตอนปวดตาดูสิ <c oughs> มันชักมาค่อยชื่อเราแล้วใช่ไหมหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าวิเคราะห์โดยละเอียดรอบคอบแล้วจึงไม่เห็นโดยความเป็นเราเพราะะนันถ้าพิจารณาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เพียงพอที่จะบรรลุ แต่ว่าถ้าพิจารณาอย่างอื่นมาโดยรอบจนแล้วใจแล้วนะณจุดใดก็ตรัสรู้ได้หมายความว่าถ้าพิจารณาอย่างละเอียดมาแล้วเนี่ยนะตรงใดก็พอที่จะเพิกอวิชชาได้แต่ถ้าอันอื่นไม่พิจารณาเลยจะจ อ, อย่างเดียวก็ใช้เข็มเจาะบาดานดีๆนี่แหละไม่มีอะไรพอไ้ยที่จะได้น้ำประปาใช้สอยทั่วบ้านทั่วเมืองนละนะแย่เลย ผมเชื่อว่าในเรื่องการทำปริญญานี่นะฮะถ้าเราเอาขันในปัจจุบันมาทำอย่างอย่างถูกต้องนะฮะอย่างอย่างละเอียดแล้วนะฮะมันต้องเข้าไปเกี่ยวข้องขันในอดีตจนได้ครับเพราะว่าขันนี้นะมันมีกรรมเป็นสมุดฐานนะมันมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้ทำให้เกิดลูกทำให้เกิดอรูปขันนี้ขึ้นมาเห็นชัดชัดอยู่นะสมมติเรารูปขันมานะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิาวจัยอย่างถูกต้องแล้วหนีไม่พ้นครับขันในอดีต แล้วในปฏิจัด t มูบาห์นะฮะถ้าขันในปัจจุบันวิจัยไปยเนี่ยนะฮะจะาผลของผลของการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในขันในในอนาคตจนได้เพราะฉะนั้นท่านกล่าวไวน้นี่โอ้ทํำไมถูกต้องหมดจริงๆนะแล้วถ้าหากว่าขันภายนอกเนี่ยนะฮะเมื่อพิจารณาขันปัจจุบันนี้เนี่ยนะจะไม่เกี่ยวข้องกับขันภายนอกเลยก็ไม่มีอยู่แล้วก็ถ้า เราก็มาฝึกคิดไอ้คำว่าปัจจุบันของเราเนี่ยมันแค่ไหนสมมตินะเอาเอาคำว่าปัจจุบันของเรานี่มันมันแค่ไหนถ้าถ้าเราเพ่งแต่ปัจจุบันอย่างเดียวเลยนะในทวารหกเนี่ยวิ่งให้ตามให้ทันปัจจุบันเนี่ยใครเจริญอย่างนั้นไม่นานเนี่ยเชื่อเลยว่าจะต้องพึ่งยาหมอเพื่อช่วยกล่อมประสาทเนี่ยนะทำไมรู้ไหมเพราะมีคนบ้าอย่างเงี้ยเยอะมาก จเจริญอย่างเงี้ยจะได้ใครที่อยู่ได้ถึงเจ็ดวันนะคนนั้นเก่งมากถ้าส5บห้าวันนี่ก็เริ่มแย่แล้วแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะต้องไปขอยาคลายเครียดคลายกล้ามเนื้อคลายอะไรเพราะพวกนี้จะต้องรีบให้มันทันปัจจุบันเร็วที่สุดอ่ะนะเช่นนั่น น, น, น่เออนี่คิดเออเนี่ยรู้คิดเออนี่คิดเนี่ยนะจอจอจ อ, จอไปเรื่อยๆนะตามให้ยิ่งทันมากยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นนะนะ เพราะว่ามั น, มนเหมือนกับว่ามันมีความลังเลสงสัยอะไรอยู่ตลอดเวลาโดยทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเจริญยิ่งติดตามจ่อให้ทันปัจจุบันเท่าไหร่ยิ่งเครียดเหมือนคนวิ่งให้มันตามทันเหยียบจะเหยียบเงาหัวตัวเองให้ได้เนี่ยนะสมมติว่าดวงอาทิตย์มันกําลังตกใช่ไหมเราก็วิ่งทิศไปสู่ที่ตะวันออกเพื่อจะวิ่งตามเงาเนะ่ยจะเหยียบง ห, หัวตัวเองให้ทันถามว่าใครทําได้ะนะมีแต่ว่าป่วยอย่าง แล้วก็ชีวิตเนี่ยมันเป็นหกทวารใช่ไหมตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยถามว่ามันจะรู้อารมณ์ทีละทะวารเมื่อรู้อารมณ์ทีละทะวารเนี่ยนะสมมติว่าเอาจิตเที่ยวมาตามหารูปเสียงกลิ่นรสพอพระแล้วก็ธรรมรมเนี่ยนะให้วิ่งไปหาสีเอา้าเสียงมันก็มีอะวิ่งมาหาเสียงอีก เอาคิดก็มีเออเนี่ยที่ไปรู้นะั้นมันก็จิตนะวิ่งย้อนกลับมาใหม่อีกอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าถามว่าแล้วคิดหรือว่ารู้อย่างนี้แล้วมันพ้นทุกนอกจากเพิ่มทุกข์ขึ้นนะยังมองไม่ออกว่ามันพ้นทุกได้ยังไงเพรา ะ, ะมันมันก็ไม่ใช่ว่าอันนี้ปัจจุบันนะขณะนะถามว่าถ้าปัจจุบันนะสัน ต, ติเนี่ยต้องถ้ารู้ปัจจุบันนะสันติจะต้องรู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็รู้ ปัจจุบัน